เชิญพรนี่เริ่มเร็วสักสิบนาทีเราจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นหน่อยบ่ายบ่ายร้อนรู้สึกไหมผ่านวันผ่านเวลามานะเี่พบว่าการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากครับอดทนฟังธรรมะแล้วลงมือสังเกตตัวเองไปความชั่วก็พยายามลดไป ความดีก็พยายามสร้างศีลสมาธิปัญญาผ่านเวลาไปเราก็จะพบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในห้องนี้ที่หลวงพ่อดูคร่าวๆนะพวกเราส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดูยังไงดูหน้าก็รู้แล้วละ่ะหน้าตามันผ่องใสคนกิเลนหนาปัญญายามหน้าตามันมืดๆ ม, มันประเภทหน้ามืดอะ ส่วนพวกเราหน้ามันผ่องใสขึ้นมาหน้าตามันก็สะท้อนความรู้สึกภายในออกมาภายในมันผ่องใสหน้าตามันก็ผ่องใสมันใสไปหมดนะถ้าฝึกไปเรื่อยกระทั่งกระดูกก็ใสเส้นผมเนื้อหนังอะไรนี้ก็ใสไปหมดแนะเปลี่ยนแปลงจิตที่าไปเปลี่ยนแปลงวัตถุได้วัตถุก็มาเปลี่ยนแปลงจิตได้เหมือนกัน สิ่งแวดล้อมเนี่ยอากาศร้อนใจเราก็ฟุ้งซ่านง่ายเนี่ยภายนอกวัตถุภายนอ ก, ม, น ก, นอกนะมันทำให้ใจเราเปลี่ยนได้เหมือนกันอากาศสบายใจเราก็สบายนะในทางกลับกันนะพอใจเราสบายนะโลกนี้ก็ดูสบายขึ้นถ้าใจเราว้าวุ่นโลกนี้ก็ดูว้าวุ่นขึ้นงั้นบางทีเราก็โทษสิ่งแวดล้อมภายนอกนะว่าทาให้เราภาวนาไม่ได้ ถ้าเรารู้หลักของการภาวนาแล้วเราตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกของเราไปด้วยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปเป็นลําดับลําดับใจเราสว่างสวัยนะโลกข้างนอกร้อนอย่างไงใจเราก็ยังร่มเย็นอยู่โลกมีปัญหามากมายวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกอย่างบ้านเมืองเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยมันก็สงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็วุ่นวายอีก มันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะไม่เฉพาะสมัยของเรานี้หรอกถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อหรือเรียนประวัติศาสตร์นี่จะรู้เลยบ้านเมืองไม่เคยสงบจริงบางยุคบางสมัยก็อันธพานเต็มเมืองเลยะบางสมัยก็ผู้ลายเยอะแยะโจรปล้นฆ่าค่มคืนเต็มบ้านเต็มเมืองวางเพลิงอะไรต่ออะไรบางช่วงก็สงบลงมาเดี๋ยวก็วุ่นวายอีก นี่ถ้าเราจะปล่อยใจของเรานะให้กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงตามสิ่งภายนอกนะมันก็ได้แต่แค่นี้เองนะช่วงไหนข้างนอกเขาดีเราก็ปล่อยดีไปกับเขาด้วยช่วงไหนข้างนอกเขาวุ่นวายเราก็วุ่นวายไปกับเขาด้วยมันไม่มีคุณค่าเท่าไหร่นะในชีวิตแบบนั้นพายายามมาฝึกตัวเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นของดีของวิเศษไม่มีอะไรเสมอเหมือน เราอาศัยธรรมะที่ท่านประทานให้นะมาเรียนรู้ตัวเองพนะระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกนะในทางที่ทำยังไงเราจะก้าวนะไปสู่ความพ้นทุกข์หรือความดับสทนิทแห่งทุกข์โลกนี้ก็ยังเป็นโลกนี้อยู่อย่างเดิมโลกนี้ยังวุ่นวายอยู่อย่างเดิมโลกนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดิมแต่ใจนะเราไกลออกจากความทุกข์เป็นลาดับลาดับไปไมัอยู่ที่ตัวเราของตัวเราเอง ไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกอาศัยได้ศึกษาได้ฟังธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติลําพังฟังธรรมะอย่างเดียวนะไม่ช่วยอะไรขึ้นมาฟังเล่นเพลินๆ เ, เรียนปริยัติเก่งกิเลสก็เหมือนเดิมอารวาดได้สารพาัดไม่ได้ผิดกับคารวาสหรอกถึงจะเรียนปริยัติเก่งๆนะถ้าเราไม่ลดละกิเลสตัวเองเลยนั้นการฝึกเราเรียนธรรมะแล้วเราก็มาฝึกตัวเอง ไม่เคยมีศีลต้องมีศีลไม่เคยมีสมาธิต้องมีสมาธิไม่เคยเจริญปัญญาต้องเจริญปัญญาทำได้แค่ไหนก็ดีแค่นั้นทำได้มากก็ดีมากทำได้น้อยๆก็ดีน้อยๆไม่ทำเลยก็ไม่ดีหรอกในะชีวิตี่จมปลักอยู่ไม่ต่างกับสัตว์ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งที่เราได้ชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์เพื่อผู้มีใจสูงหมายถึงเป็นผู้มีใจที่ฝึกอบรมได้ ธรรมชาติของใจไหลลงต่ำตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกอบรมแล้วมันจะไหลลงต่ำงั้นเราพยายามมาฝึกอบรมใจของเรานะตั้งใจคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้เท่าทันกิเลสนี่แหละศัตรูอันดับหนึ่งของเรานะศัตรูตัวจริงในชีวิตเราเลยก็คือกิเลสนี่เองคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะกิเลสนี่แหละมาสร้างความทุกข์ให้เรากิเลสมาบงการพฤติกรรม ทางกายทางวาจาของเรานะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่พอไ่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นอีกสร้างความทุกข์ให้สังคมอีกงนั้นเรารู้เท่าทันกิเลสกิเลสไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่กิเลสมีสามตัวเองคือโลภโกรดหลงนะโลภพวกเราก็รู้จักนะโลภรู้จักไหมโลภลบบ่อยไหมยลภบ่อยไหมบ่อยเหรอวันในกี่ทีสองที 200สองร้อยทีโกรดล่ะโกรดบ่อยไหมพวกเราวัดใจตัวเองออกไหมว่าระหว่างโลภกับโกรธเนี่ยใครโลบเกิดบ่อยกวา่ายกมือสิใครโกรธเกิดบ่อยกวา่าหูเยอะนะมาจากที่ไหนเนอะรู้ตัวหรือยังเวลากระทบอารมณ์ใช่ไหม เวลาความโกรธเกิดขึ้นมันไม่แช่มชื่นใจนึกออกไหมเราอยากมีความสุขนะแต่เราโกรธบ่อยๆทุกคราวที่โกรธเลยความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีเลยนั่นเมื่อไหร่จิตใจมีโทสะนะเมื่อนั้นจะมีทุกขเวทนาทางใจทุกขเวทนาทางใจมีศัพท์เฉพาะนะเรียกว่าโท ม, มันัตเวทนาเคยได้ยินไห ม, ว, มว่าโท ม, มันัตตรงข้ามกับสมมนัตโสมมนัตเป็นชื่ออะไร ชื่อวัดใช่ไหมวัดยังมีชื่อโสมนัสมีวัดโท ม, มนัสอะคงไม่มีใครตั้งไม่มีใครอยากเข้าวัดนี้พระคงไม่อยากอยู่จิตที่มีโทสะนะจะต้องมีโท ม, มนัสเสมองั้นถ้าพวกเราโกรธบ่อยเนี่ยความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดด้วยทุกทีไม่มีความแช่มชื่นใจแต่เวลาโลภะเกิดนะมีความสุขได้งั้นพวกโลภะเกิดนะมีความสุขได้ จิตที่มีโลภะเนี่ยมีเวทนาได้สองชนิดนะคือมีโสมนัสเวทนาแต่อุเบกขาเวทนาเป็นกลางๆ ก, ก, กับมีความสุขนะแต่จิตที่มีโทสะเนี่ยมีเวทนาเดียวนะคือโทมณัสเวทนาสังเกตดูเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมาใจไม่สบายรู้สึกไหมเมื่อเราใช้ความตรงนี้สังเกตไดนะ้อย่างอิจฉาเนี่ยเวลาเราอิจฉาสบายใจัหย ไม่สบายใจไหมงันเป็นตระกูลโทสะนะกลัวล่ะเวลากลัวสบายใจไหมเพราะฉะนั้นเป็นตระกูลโทสะเนซะิงล่ะงั้นตระกูลโทสะเยอะน ะ, ะลูกหลานมันเยอะเยอะแยะเลยนะพยาบาทเวลาพยาบาทสบายใจไหมไม่สบายเนี่ยวิถีวัดนะถ้าเมื่อไหร่ไม่สบายใจนะจิตต้องมีโทสะ แต่ถ้าสบายใจไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลจิตที่เป็นกุศลน่นะมีเวทนาได้สองชนิดคือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเหมือนกับจิตที่มีโลภะนะเพรั้นเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยชี้ขาดได้เลยว่าจิตเป็นอกุศล น, นะตะกูลโทสะแต่เวลามีความสุขเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศนะลเราดูยังไงล่ะมีอะไรมาช่วยจําแนกเรา เราดูว่ามีสติไหมถ้าเมื่อไรมีส ต, จ ต, จสสตนะิจิตเป็นกุศลถ้าเม่อไรมขาดสตินะจิตเป็นอกุศลแน่นอนเ น, นี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้จิตใจของเราไปกิเลสมีอยู่สามตัวทําไมจะเรียนให้จบไม่ได้นะโลภโกรธหลงมีอยู่แค่นี้เองที่เรียนทางโลกเรียนตั้งเยอะตั้งแยะเองเรียนได้เลยนในทางธรรมะเนี่ยมีกิเลสให้เราเรียนสามตัวเองโลภเราก็รู้จักอยู่แล้วโกรธเราก็รู้จักหลงเราก็รู้จัก หลงรู้จักหลงไหมหลงทางกลับบ้านไม่ถูกสมองเสื่อมะไม่ใช่หลงอย่างนี้นะอันนั้นเป็นหลงทางโลกโลกหลงไม่รู้ว่าคนที่ชื่ออะไรเคยจําได้แล้วจําไม่ได้อันนี้ไม่ใช่โมหะอันนี้เป็นความชราภาพ <laughs> <laughs> พวกเราเคยมีไหมเห็นหน้าเพื่อนแล้วก็นึกชื่อไม่ออกเคยมีไหม ย, งย้งไปสิใครมีบ่อย <laughs> เนี่ยเครื่องวัด ไม่ใช่วัดความแก่นะวัดวัดสมองเสื่อมไปแค่ไหนแล้วบางคนยังเด็กอยู่จำอะไรไม่ค่อยได้เลยจำทางกลับบ้านไม่ได้นะถ้ายังไม่มืดนะกลับบ้านไม่ถูกมันดูดาวดูดาวดาวดวงนี้ขึ้นตรงนี้แนละ้วกลับบ้านได้อย่างนี้หลงอย่างนี้นะมันไม่ใช่หลงของโมหะหลงทางหลงทิศหลงว่าคนนี้ชื่ออะไรนี่หลงโล ก, โลก เป็นหลงปลอมห ล, หลงเทียมเทียมไม่ใช่หลงจริงๆหลงจริงจริงคือการที่เราไม่สามารถรู้สภาวะไดนะ้เวลาที่เราไม่รู้สภาวะธรรมที่กําลังปรากฏเนี่ยหลงแน่นอนเลยนะหรือเวลาใจเป็นฟุง้งซ่านเวลาฟุงา้งซ่านสังเกตไหมมันจับสภาวะได้ไม่แม่นนะอย่างใจเราฟุงา้งซ่านเนี่ยเราถ้าจะมาดูว่าตอนนี้โลภหรือโกรธหรือหลงเนี่ยดูยากนะเพราะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงหมุนเตี้วอยู่ในใจเลยเคยเป็นไหม เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลภ เ, เดี๋ยวหมุนเตี้ยวเตี ต, ต, ตอยู่ในใจนะถ้าอางั้นจะดูยังไงมันเยอะแยะไปหมดเลยรู้ว่ากําลังฟุ้งซ่านนี่มองภาพรวมเลยเวลาจิตฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดูทีละตัวนะไม่งมันหลงไปดูเกิดลบเพื่อมารู้ทันวิ่งไปฟังนะเกิดโกรธขึ้นมารู้ทันอย่างเงี้นถ้ามันสลับกันรวดเร็วจนดูไม่รู้เรื่องนะฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจับสภาวะได้ไม่แม่นนะ ถ้าเมื่อไรรู้ว่าฟุ้งซ่านนีสติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อไร่สติเกิดอกุศลจะดับนี่เรื่องง่ายๆเราไม่ได้ฝึกเอาดีนะเราไม่ได้ฝึกว่าห้ามไม่ให้กิเลสเกิดแต่เราฝึกคอยรู้ทันกิเลสมีอยู่สามตัวนี่แหละมันคอยหมุนเวียนขึ้นมาในใจเราตลอดเวลาแต่ถ้ามันหมุนขึ้นมาทียิบนะให้มองภาพรวมเลยว่ากําลังฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันค่อยๆทยอยขึ้นมาทีละตัว เราก็เห็นเยความโลภเกิดขึ้นแล้วดับไปความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับไปนะความหลงเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ถ้าดูไม่ทันให้รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งมากบางคนดูไปปุ๊บก็าหายฟุ้งเมื่อคนฟุ้งมากจริงๆนะดูแล้วก็ไม่หายรู้ว่าฟุ้งฟุ้งสิวะนี่นะจะอย่างนี้ต่ออีกนะมันไม่ยอมหายนะอย่างนี้ต้องทาสมถะนะทาสมถะ พุโทโธพุโทโธพุโทโธกำลังจะด่าเขาแล้วโกรธมากใจก็ฟุ้งแหลกลานเลยท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้ใจมันมีที่อยู่ที่อาศัยใจมีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีแล้วใจก็สงบข้ามาใจสบายรู้เนรู้ตัวขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคอยสังเกตใจของเรานะสังเกตไปความโลภเกิดเราก็รู้ความโกรธเกิดเรารู้ความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดเรารู้นะ แล้วก็ถ้ารู้ทั น, นสติเรามีกําลังพอสมาธิมีกําลังพอไม่จะเห็นเลยทุกอย่างกิเลสทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมันดับของมันเองไม่ใช่เราดับมันแต่มันดับของมันได้เองพวกเราใครเห็นกิเลสเกิดเองดับเองได้บ้างยกมือให้ดูซิเห็นไหมมันเกิดได้เองมันดับได้เองใครไม่เห็นยกมือซิพวกที่ไม่ยกเนี่ยอุเบกขา หรือไงคนละเรื่องกันนะเวลาเรียนเนี่ยใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่มีกลางๆนะอย่างถูกกับผิดเนี่ยไม่มีกลางๆลางนะความถูกกับความผิดไม่มีตรงกลางถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะต้องฝึกนะถ้ายังไม่เห็นไปหา ด, ดูเข้าดูบ่อยๆในวันหนึ่งก็เห็นไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะคอยรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจเราเวลากิเลสเกิดเนี่ยสังเกตดูเขาเกิดตอนไหน เนือออกไหมกิเลสเกิดตอนไหนตอนที่ตาเห็นรูป ห, หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดกิเลสไหมยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะอย่ามั่วตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีกิเลสนะตามองเห็นรูปเนี่ยจิตที่ไปเห็นรูปเนี่ยเรียกว่าวิบากจิตวิบากจิตไม่ใช่อคูสลจิตนะเพราะในขณะที่ตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีดีไม่มีชั่ว ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลขณะที่หูได้ยินเสียงนะไม่มีดีมีชั่วไม่มีกุศลอกุศลขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสไม่มีดีชั่วไม่มีกุศลอกุศลนะกุศลอกุศลมาที่ใจนะใจทำงานอย่างตาเรามองเห็นปุ๊บทีแรกเห็นน่ยยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรใครเคยสติเร็วๆจนกระทั่งสามารถเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นอะไรไหมแบบลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ย สัเกตไหมมันมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดหนึ่งเพื่อจะแปลคกกวามหมายว่าอันนี้คืออะไรในขณะที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยนะไม่รู้ว่ารูปอะไรด้วยซ้ำไปรู้แต่ว่านี่แหละเห็นอย่างเนี้ยเห็นสีสันอย่างเนี้ยนะไม่มีชื่อว่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรด้วยนะตามองเห็นเล้าหลับตาหลับตาซะหลับตาทุกคนหลับตาแล้วหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งหลับตาสะกอ่อนแล้วหันหน้าไป อย่าดือนะอ่านหน้าไปแล้วลืมตาขึ้นสังเกตไหมขณะที่มองเห็นรูปเนี่ยขณะแรกยังไม่รู้ว่ารูปอะไรนึก อ, ออกไหมต้องดูสักพักหนึ่งใช่ไหมถึงจะแปลความหมายได้ดูออกไหมตรงนี้เนี่ตรงภาพพาให้ดูเรียนเรื่องจิตเลยนะเนี่ยรื่องจิตเลยเราจะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยอย่าไปดูรูปเดี๋ยวกิเลสจะเกิดไม่เกี่ยวกิเลสไม่ได้เกิดที่ตานะ อย่าไปฟังเสียงเดี๋ยวกิเลสจะเกิดกิเลสไม่ได้เกิดที่หูกนะิเลสมันเกิดที่ใจที่ตาหามนะลองทดสอบวิธีลองหลับตาใหม่นะหลับตาหลับตาอย่างสบายๆทำใจสบายหันหน้าเปลี่ยนทางไปอย่าไปทางเดิมแล้วลองดื่มตาขึ้นมาดูสังเกตไหมขณะแรกเนี่ยไม่รู้อะไรใครเห็นตรงนี้บ้างยกมือสิใครลืมตาขึ้นมาก็รู้เลยมีไหมแสดงว่าสติไม่เร็ว นะจิตน่าทำงานตั้งหลายช็อตแล้วนะกว่าจะแปลความหมายได้ตามองเห็นรูปนะมันจะมีจิตดวงหนึ่งไปเห็นรูปจิตดวงนี้เกิดแล้วก็ดับถัดจากนั้นจะมีจิตอีกดวงหนึ่งนะเป็นตัวส่งสัญญาณส่งสัญญาณของแสงของสีเนี่ยมาที่ใจนะมีจิตอีกดวงหนึ่งมาเป็นตัวรับสัญญาณนะมีจิตอีกตัวหนึ่งมาแปลความหมายของสัญญาณนะแล้วก็มาให้ค่าว่าเนี่ยดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบไม่ชอบนะ แล้วถึงจะมีจิตที่เกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นนี่ตั้งหลายช็อตนะทํางานเป็นช็อตช็อตชเราค่อยๆสังเกตจิตใจไปวันหนึ่งเราก็เข้าใจนะไม่ใช่เรื่องยากนะลองอย่างที่หลวงพ่อพาให้ดูเมื่อกี้ครึ่งห้องมองเห็นแล้วว่าขณะแรกที่ลืมตาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรตามองเห็นรูปแต่ไม่มีความหมายแล้วสังเกตไหมพวกที่มองเห็นที่มองเห็นว่าลืมตาขึ้นมาทีแรกไม่รู้ว่าอะไรอะ สังเกตไหมขณะที่เห็นน่นะไม่มีกิเลสนึกออกไหมแล้วก็ไม่มีกุศลในตรงนั้นด้วยแล้วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยสังเกตไหมทดสอบอีกทีนะจะจะได้แม่นหลับตาเงยหน้าขึ้นไปลืมตาอ่ะพอสังเกตหรือเปล่าว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ในขณะที่มองเห็นไม่มีสุขมีทุกข์นะมันเป็นอุเบกขาเวทนานะ แล้วไม่มีดีมีชั่วไม่สักแต่ว่าเห็นเฉยๆถัดจากนั้นมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมาแปลกความหมายอ๋อหลังคามีแมงมุมด้วยอะไรอย่างนี้นะพูดเราก็จะเริ่มวิจารณ์ต่อถ้ า, า จ, จะไม่ค่อยกวาดละมั่งเนี่ยอะไรอย่างงี้อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่เจ้าที่นี่เขาสะอาดลงภาพไปเทศวางที่นี่นะเราต้องมองอย่างนี้นะมองขึ้นไปข้างบดเราตกใจเลยตัวอะไรห้อยร่องแรกรองแรกก็มีนะ บางคนเวลาฟังเทศเนยเงี้ยเขาตั้งใจฟังสบายเลยนะแต่พอหลวงพ่อมองขึ้นไปเนี้ ย, ยตุกแกหรือเปล่าวะพอได้ยินตุกแก่หรือเปล่าเนี้ยมีดีลรธรรมนิดหนึ่งนะแปลความหมายก่อนตุกแก่พอภาพตุกแกเกิดขึ้นมาเนี่ยค่อยตกใจนะยังไมันมีดีไรธรรมเท่านั้นเลยนะอยู่ที่ว่าต่อไปค่อยๆฝึกค่ อ, คอฝึกไปนะตาหูจมูกลิ้นไกากระทบอารมณ์เนี นะเขาส่งสัญญาณเข้ามาเขาแปลความหมายแล้วมีสติรู้ไปนะรู้ไปเนี่ยมันโกรธขึ้นมาแล้วเรารู้ทันมันโลภขึน้นมาแล้วเรารู้ทันไอตอนที่เขาไปเห็นรูปไม่มีสติตอนที่เขาส่งสัญญาณสีเสียงแสงอะไรเข้ามาที่ใจเนี่ยไม่มีสติตอนที่แปลความหมายก็ยังไม่มีสติตอนที่ตัดสินว่าจะดีหรือไม่ดีจิตที่จะเกิดต่อไปนี้เป็นก Audio ุศลหรืออกุศลตรงนี้ก็ยังไม่มีสติตรงที่นะ เกิดจิตที่เสวย อ, อารมณ์เข้าไปจับอารมณ์แล้วเนี่ยถึงจะมีกุศลอกุศลมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาเ น, นี่ยมันมีช่วงว่างอยู่ถ้าเราค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะเจอท่าใจเนี่ยชำนาญในการสังเกตจิตใจตนเองโกรธปุ๊บสติรู้ทันปั๊บเลยใชแต่ก่อนหน้าที่มันจะโกรธเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นเรียกว่าเป็นแค่วิบากเป็นวิบากเท่า น, นั้นเองอย่างบางคนทํำไมเห็นแต่รูปสวยบางคนเห็นแต่รูปน่ากลัว บางคนนั่งภาวนานะเห็นแต่เทวดาบางคนนั่งทีไรเห็นแต่ผีตัวกระรุง่งกระลิ่งทุกทีเลยนะแต่ละคนทํำไมเห็นไม่เหมือนกันเพราะวิบากไม่เหมือนกันถ้ามีวิบากที่ดีให้ผลนะเราก็จะเห็นรูปที่ดีรูปที่ถูกใจนะได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้สัมผสัผสที่ถูกใจนะถ้าวิบากไม่ดีให้ผลมาเราจะได้รูปเสียงกลิน่นรสสัมผสัผสที่ไม่ถูกใจนะ <im it> เห็นแล้วไม่มีความสุขเห็นแล้วไม่แช่มชื่นใจ ตรงนี้เราเลือกไม่ได้นะเป็นวิบากให้ผลมากรรมดีให้ผลบ้างกรรมชั่วให้ผลบ้างเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรจะได้ยินอะไรหรือไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องระวังมากไม่ต้องเกรงในการมองนะต่อไปนี้จะมองแล้วค่อยๆหลีตาดูข้างหนึ่งก่อนว่ารูปที่จะดูนี่สวยไม่สวยนะถ้าสวยค่อยลืมตาโลกจิตกินอย่างั้น นั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสความเย็นความร้อนประม อ, อนความแข็งความตึงความไหวแต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตมีความสุขให้รู้จิตมีความทุกข์ให้รู้รู้สุขทุกข์ก็ได้มันก็จะเห็นว่าจิตที่สุขเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็ดับหรือจะดูที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะ เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภให้รู้เกิดโกรธให้รู้เกิดหลงให้รู้เนี่ยคอยหัดรู้ไปด้วยการที่เราหัดรู้บ่อยๆต่อไปสติมันจะไหวขึ้นไหวขึ้นถ้าเราไม่เคยฝึกรู้เนี่ยสติไม่เกิดหรอกของฟรีไม่มีอยู่อยู่จะสติเกิดเนี่ยไม่มีหรอกแต่บางคนมันมีนะอย่างหลวงพ่อตอนอายุสักสิบขวบเนี่ยไฟไหม้ข้างๆบ้านบ้านเป็นตึกแถวอยู่ในกรุงเทพนี่ลนะไฟไหม้้มาเราเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเลย พอเห็นไฟไหม้นะตกใจก็วิ่งไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งไม่รู้สึกก้าวที่สองไม่รู้สึกนะก้าวที 3, นะ่สามท่านเหมือนเปิดสวิตภายในขึ้นมาเลยสติระลึกได้เห็นความกลัวของตัวเองเห็นความตกใจของตัวเองนะจิตสว่างเพรบขึ้นมาเลยนะความกลัวความตกใจเนะั้นขาดสะบั้นไปต่อหน้าต่อตาเลยคราวนี้ไม่ตกใจแล้วเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยไฟไหม้แล้วคราวนี้เราก็งงแนละ้วเราเห็นคนเนี่ยนะวิ่งไปด้วยความตกใจ นะวิ่งไปดูวิ่งมาเก็บของวิ่งอย่างน้อยวิ่งนี้ใหญ่เราไม่ได้ตกใจทําไมสติมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันต้องเคยฝึกมาแล้วละ่นะอย่างน้อยชาติก่อนคงเคยฝึกมานะเพราะมันเวลาจวนตัวเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาเราเองพวกเราที่มาหัดภาวนาเนี่ยพวกเราคนไหนเวลาเราไปเจอสภาวะบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเนี้เคยเจอมาแล้วเคยเป็นมาแล้วใครเวลารู้สึกตัวขึ้นมา นะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกอะ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกเก่ามีไหมเคยมีมาแล้วเนี่ยพวกอย่างเนี้ยพวกเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนนะหรือไม่ก็พวกชาตินี้ฝึกแต่ปัญญาอ่อนหน่อยไม่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนสมองไม่ค่อยดนะีเคยรู้สึกตัวแล้วมันลืมไปเลยนะแล้วพอมารู้สึกใหม่เอ้ยนี่อันนี้เคยคุ้นๆนะพวกนี้ก็เยอะนะยุค ข, ของเราเนี่ยสมองเสื่อมเยอะงั้นอย่าเพิ่งสรุปว่าชาติก่อนนู้นนะ ชัดก่อนเพราะเราอาจจะเป็นเมื่อเช้านี่เองอ่ะเมื่อเช้านี่เห็นอันนี้มาแล้วละ่ะล้วก็ลืมไปนะไปเห็นอีกนี่คุ้นๆแท้นะอันนั้นเป็นโรคสมองไม่ปกตินะนะยุคพวกเรานี่เป็นเยอะด้วยความเครียดเป็นเยอะสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะดีใจว้าวุ่นมากๆนะสมองมันเครียดมันหลั่งสารเคมีพิลึกพลึกออกมานะแ้่บางคนก็ภาวนาไปใจมันตื่นขึ้นเฮ้ยอันนี้เคยเห็น เเห็นแต่นึกไม่ออกเมื่อไรที่แต่ชาติก่อนชาติก่อนๆคาว่าชาติก่อนอาจจะชาติก่อนจริงๆหรือเมื่อเช้านี้ก็ชาติก่อนนะคือก่อนปัจจุบัน <c oughs> ของที่เราฝึกไว้ไม่หายไปไหนนะม่จะอยู่กับเราไม่เหมือนสมบัติทางโลกสมบัติทางโลกไม่ใช่ของพิเศษเลยเราหาเงินแทบตายเก็บเงินไว้ซื้อบ้านซื้อรถซื้ อ, อไรไว้นะ วันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นไม่ไปกับเราหรอกสมบัติทางธรรมนี่นะศีลสมาธิปัญญานะฝึกไปสตินะอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ดีงามนะฝึกเข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเก็บลงาวังขจิตนะต่อไปข้างหน้ า, าก็คล้ายว่าเรามีทุนเดิมเยอะการพานาจะง่ายถ้าต้นทุนเดิมต่ำนะของเก่าไม่ค่อยมีหรือมีแต่เรื่องร้าย มีแต่เรื่องโมโหทั้งวันเลยนะไม่ค่อยฝึกสติพอมาเกิดใหม่นะมันก็โมโหบ่อยนะมันเคยชินจะโมโหแต่อาศัยว่าเคยได้ฝึกสติบ้างก็พอสังเกตงั้นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะแล้วค่อยพัฒนาขึ้นต่อไปพอใจหงุดหงิดนิดๆก็มองเห็นละไม่ต้องรอโกรธแรงๆตอนนี้พวกเราใครพัฒนามาถึงจุดที่ว่าหงุดหงิดนิดหน่อยก็มองเห็นยกมือซิยกมือหน่อยโอเยอะนะ ใครโลภนิดๆก็เห็นแล้วมีไหมไม่ใช่ต้องโลภมากๆเลยนะอยากจะปล้นเต็มทีละอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นนะมารู้ตัวว่าโลภมากนะตอนที่ตํารวจจะมาจับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช้าไปหน่อยนะฝึกนะแล้วมันจะค่อยเร็วขึ้นขึ้นค่อยๆหัดรู้จักกิเลสไปความโลภเราก็รู้จักอยู่ละลักษณะของความโลภคือมันจะดึงอารมณ์เข้าหาเราดึงอารมณ์เข้ามา ลักษณะของความโกรธคือมันจะผลักอารมณ์ออกไปนะเห็นหน้ายายคนนี้ไม่ชอบอยากจะผลักมันออกไปนึก อ, ออกไหมถ้าเราเจอคนที่เกลียนดะอยากเข้าไปโอบไหมออยากจะทีบมันออกไปเลยนะเพราะฉั้นละนะักษณะของโทสะนี่จะผลักออกไปจะผลักอารมณ์ออกไปนะลักษณะของโลภะของโลภเนี่ยจะดึงอารมณ์เข้ามานะเห็นแล้วแหมยอยากโอบอยากกอดอยากจับอยากหยิบเอามานะอยากพากลับบ้านอนะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตัวโลภ หลงเน่จับอารมณ์ได้ไม่ชัดจับอารมณ์ได้ไม่แม่นนี่เราค่อยๆสังเกตดูโลภหลดหลองสังเกตไหมเราวัดง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์นั่นเองถ้าหากมันผลักอารมณ์นะแสดงว่ามีโทสะถ้ามันดึงอารมณ์เข้ามาอยากได้อารมณ์เข้ามามันต้องมีโลภถ้ามันไม่รู้อารมณ์อะไรมีโมหะตอนนี้ใครแต่ละวัน มีโมหะมากที่สุดในสมกิเลสโลบโกรธหลงใครหลงบ่อยที่สุดใครโลอบ่อยที่สุดใครโกรธบ่อยที่สุดออไปดูนะพวกที่ตอบว่าหลงบ่อยที่สุดเนี่ยตอบถูกพวกที่บอกว่าโกรธบ่อยที่สุดโกรธมากกว่าหลงอีกตอบผิดนะคนจะโกรธได้ต้องหลงแล้วคนที่จะลบได้ต้องหลงด้วย ความหลงเนี่ยเลยเป็นตัวกิเลสสำคัญแทรกอยู่กับกิเลสอื่นได้ด้วยถ้าเราไม่หลงเราจะไม่โกรธ ถ, ถ้าเราไม่หลงเราจะไม่โลภไม่หลงคือเรามีสติอยู่มีปัญญาอยู่อย่างเงี้ยนะกิเลสมันเกิดไม่ได้ต้องหลงก่อนนะต้องหลงแล้วกิเลสอื่นๆถึงจะเกิดได้อย่างเวลาเราขับรถคนปาดหน้าเราเนเราหลงไปคิดก่อน มึงแน่สักแค่ไหนวะเห็นแก่ตัวสันดานไม่ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ็ดชั่วโค้นไม่สั่งสอนเนี่ยเราปรุงอย่างนี้น้ะปรุงไปในทางโทสนะแลเดี๋ยวโทสะเราก็เกิดเนี่ยในขณะที่โทสะเกิดใช่ไหมจ้องตาถลนเลยมึงหนีไปโน่นละเดีย๋ยวจะไปปาดคืนไหมจิตหลงมีแต่จิตหลงตลอดเลยนั้นโทสะเนี่ยนะไม่เกิดเดี่ยวเดียวต้องเกิดร่วมกับความหลงด้วยถ้ารู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เฮ้ยกาลังโกรธเนี่ย โทรศดับทันทีเลยเพราะความหลงดับโทรศัก็ดับด้วยนะงั้นเราค่อยๆสังเกตตัวโลภก็เหมือนกันนะตัวโลภไม่เกิดเดียวๆหรอกต้องเกิดร่วมกับโมหะต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าไม่หลงก็จะไม่โลบคนโบราณมีคําอยู่คํานะดีนะหลงรักรู้สึกไหมรักเฉยๆไม่มีมีแต่คําว่าหลงรักก่อนจะรักได้ไต้องหลงก่อนนะทําไมไม่หลงอะ่นะเราว่าคนนี้สวยๆเอาคนไหนสักคน หาตัวอย่างยากมากเลยดูไปแล้วไม่รู้จะชี้ตัวไหนสวยๆหาสักคนหาไม่ได้เลยเ อ, เอาสมมติสมมตินะเอาสมม ต, นะอมมตอิอย่าคิดว่าจริง เ, เรารู้สึกว่าเขาสวยเรารักเราชอบนะที่จริงมันหลงนะหลงอะไรหลงผมขนเล็บฟันหนังไอ้ที่ดูสวยเนี่ยนะมันสวยเพราะผมขนเล็บฟันหนังมันพุ้มอยู่ ผู้หญิงแสนสวยจับมันถอนผมหมดเลยอ่ะสวยไหมหัวเต้ยหนึ e ่งเลยเห็นได้มีแต่ย้อมผมใช่ไหมใส่วิกทําผมทรงนั้นทรงนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าทรงอีทําสีนั้นสีนี้ด้วยนะบางคนทํากระดกเป็นเขานะชาติก่อนเคยมีเขาคุ้นเคยชาตินี้ต้อง<笑><笑>ไปทําเขาขึ้นมาใหม่นะะออแหลมตรงนั้นบางคนมีอันเดียวเนี่ยคุ้นเคยมีน้องนะ ไีทำอย่างน้อยอย่างนี้ถ้ามันไม่มีผมมันสวยไหมออมันไม่มีขนนะตัวเกลียกล้ยงๆเหมือนไก่ถอนขนนะน่าดูไหมออไม่มีหนังน่าเกลียดที่สุดเลยตัวแดงๆไม่มีฟันสวยๆนะยิ้มออกมาทีเห็นแต่เงือเนยะจริงๆแล้วมันสวยเพราะผมขนเล็บฟันหนังนะมันหุ้มอยู่มันหลอกตาเร า, นะ ท, า, ท, าทั้งๆที่ถ้าดูเป็นนะผมก็ไม่ใช่ของสวยนะผมเป็นของสกปรก ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยมีแต่ของสกปรกนะแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่มันอยู่ข้างนอกนะเวลาพระจะบวชเนี้ยอุปชานจะต้องสอนให้หัดดูผมขนเล็บฟันหนังนะเกสาโลมานาขาทันตาตาโจนะผมขนเล็บฟันหนังดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยหรอกนะที่มันสวยเพราะหลงนะเป็หลงของไม่สวยว่าสวยเป็นของหลงของไม่สะอาดว่าสะอาดตัวเราเนี้ยสะอาดไหม เสื้อผ้าเราซักมาอย่างดีเลยใช่ไหมเอามาใส่เข้าไปเนี่ยเก็บเข้าตู้เลยได้ไหมไม่ไหวใช่ไหมตู้คงเน่าไปเลยเพราะอะไรเสื้อผ้าที่ดีๆสะอาดมาสัมผัสร่างกายนะก็กลายเป็นของสโครกลนะงั้นมันสวยมันงามเฉพาะคนหลงนะโบราณเลยมีคําว่าหลงรักหน้าฝังมากคําว่าหลงรักเนี่ยถ้าไม่หลงมันรักไม่ลงนะมันได้แต่เมตตานะโถมันนั่งสาร นั่งสารจังเลยอย่างพระอรหันต์นะท่านพูดถึงผู้หญิงผู้หญิงมาจีบท่านอย่างเงี้ยนะท่านจะเตือนสติน้องหญิงเนี่ยท่านพูดเพราะนะน้องหญิงฟังแล้วเหมือนจะจีบน้องหญิงเราเห็นเธอนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนใหญ่ผู้หญิงฟังก็นับใหญ่ครบเก้านะมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วน มีของโโคลอกไหลออกมาเป็นนิดกนะระทั่งแค่เท้าเรานะั้นยังไม่อยากสัมผัสเธอเลยเนะี่ยจะรู้สึกขนาดนั้นนะแต่นี้รู้สึกเชิงเปรียบเทียบหรอกจริงๆใจท่านอุเบกขานะท่านพูดเพื่อเตือนสติมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาคันทิยาพ่อจะยกให้พระเจ้าพระเจ้าท่านก็พูดอย่างนี้ออกมานะพ่อกับแม่ได้ผ้านาคามาคันทิยาขับแขนใจนะมาดูถูกเรา วันหลังรกแก้แข้นได้แก้แข้นได้มากมายนะสุดท้ายตกนรกไปแล้วงั้นถ้าไม่ไม่หลงจะไม่รับถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธด้วยนะความหลงนี่เป็นศัตรูร้ายของชีวิตเรางั้นหัวหน้าศัตรูเรานะหัวหน้ากิเลสตัวหลงนี่แหละร้ายที่สุดตัวหลงก็มีหลายดีกรีหลายระดับนะหลงตื้นต้นเนี่ยหลงจับอารมณ์ได้ไม่มั่นนะหลงผิดนะ จากความเข้าใจที่ถูกต้องหลงที่ร้ายที่สุดนะชื่ออวิชชาอาวิชชาเนี่ยเป็นความหลงที่ประณีดลึกซึ้งที่สุดถ้าเราไม่สามารถขุดลากถอนโคนอวิชชาออกจากใจได้เรายังเกิดอีกยังเลี่ยนใบไตเกิดอีกอวิชชาเนี่ยเหมือนต้นอ่อนเล็กๆของต้นไม้นะที่ซ่อนอยู่ในมเมล็ดมเมล็ดของต้นไม้เคยผ่ามะม่วงเม็ดมะม่วงดูไหม เหตุามเม็ดมะขามอะไรองี้ไหมเห็นไหมมันมีต้นอ่อนเล็กๆอยู่มันมีเชื้อเกิดอยู่ไอ้เมล็ดผลไม้เนี่ยเหมือนกับจิตของเรานี่เองนะไอ้ตัวต้นอ่อนเล็กๆเนี่ยที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือตัวอวิชาอาศัยเมล็ดอาศัยจิตที่ยังมีเชื้อเกิดคืออวิชาอยู่เนี่ยมันจะไปงอกต้นไม้ขึ้นมาได้อีกจะไปงอกขันห้าทั้งขันห้าขึ้นมาได้อีกนะเพราะฉะั้นจะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นเลยการจะทําลายอวิชาได้เนี่ย ทำลายด้วยวิชานะใช้ปัญญาขั้นสูงเราเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปด้วยนะสังเกตไปกายมันทํางานแจมทํางานเราคอยดูดูไปเด้วยนะจะใช้ปัญญามันแก่กล้าขึ้นเบื้องต้นมันรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่สภาวะธรรมซึ่งเกิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ไดนะ้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ต่อมาปัญญาแก่กล้ามากขึ้นนะมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์อย่างพวกเรายังไม่เห็นเราจะเห็นว่าร่างกายเราเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่พอเราจเจริญสติค่อยดูกายดูใจเรื่อยๆนะรู้เท่าทันไปเรื่อยเราจะพบความจริงวร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทอะไรอะไรก็ทุกข์นะนั่งมันนานๆก็เมื่อยนะต้องขยับไปขยับมาแก้เมื่อย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 ถ้าพอเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์นะมันจะปล่อยวางตัวจิตได้พอวางจิตได้ตัวเดียวเนี่ยโลกธาตุทั้งโลกเนี่ถล่มลงต่อหน้าเราเลยนะคล้ายๆว่ามันรวบมาเรายึดถือโลกทั้งโลกนี่นะโดยด้วยจิตดวงเดียวนี่เองปล่อยจิตดวงเดียวเนี่ยปล่อยโลกทั้งโลกเลยนะจะสลายตัวลงไปหมดนะลุดออกไปจากใจต่อไปนี่ไม่มีภาระทางใจเกิดขึ้นละมันเป็นปัญญาขั้นสูงสุดคือรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามนี่คือตัวทุกข์นะ แล้วตัวรูปเนี่ยง่ายดูง่ายว่าเป็นทุกข์นะเป็นท่านอาขานี่เห็นแล้แต่ตรงที่ว่านามนามยังมีนามจิตกับนามเจตสิกนะนามเจตสิกอย่างพวกความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงไอ้นี้ดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์แต่นามจิตจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยดูยากที่สุดเลยว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนว่าจิตก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่สงวนเอาจิตเป็นตัวสุขอยู่ พอนะได้ยินอย่างนี้นะวันหนึ่งจิตมันเฉลียวใจขึ้นมาเห็นว่าจิตคือตัวทุกเรียกว่ารู้ทุกแจำแจ้งแล้วเพราะในขันห้าทั้งหมดเนี่ยตัวที่เห็นยากที่สุดนะคือจิตงั้นถ้าเห็นจิตเป็นทุกเมื่อไหร่นะก็ปล่อยโลกทั้งโลกเลยปล่อยขันห้าทั้งหมดเลยเชื้อเกิดเชื้อถูกทํกทำลายไปตรงนั้นนี่เ อ, อาวิชานะคือความไม่รู้อริยสัจเป็นความหลงหลงที่รุนแรงที่สุดคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าอะไรคือทุก ยัง น, นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมุทัยคือตัณหาจะไม่เกิดอีกถูกลอัตโนมัตินิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอริยามรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเกิดเองหน้าที่เรามีแต่รู้ทุกข์ให้มากนะนิสจะดูรู้ทุกข์จะดูอะไรก็ได้นะในรูปในนามดูกิเลสก็เป็นการรู้ทุกข์นะค่อยๆหัดดูกิเลสไปพอดูกิเลสไปไม่เห็นจิตที่ดี เกิดแล้วก็ดับจิต ท, ที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหัดรู้หัดดูไปได้ยต่อไปเราก็รู้จักกิเลสที่ประณีตขึ้นเรื่อยๆที่แรกรู้จักกิเลสหยาบๆแต่มากิเลสละเอียดอย่งขัดใจเล็กๆก็เห็นน่ะต่อไปถึงโมหะคั้นละเอียดนะเราวิชาก็จะเห็นนะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปนะธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะอยู่ที่เราอดทนที่จะเรียนรู้ถ้าอดทนเราค่อยๆเรียนรู้ไปมันละเล็กมัละน้อย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 เขารู้สึกศาสนาที่เขาเคยเห็นนเป็นศาสนาที่ต้องเชื่อศาสนาพุทธไม่ต้องเชื่อเดาให้ลองพิสูจน์ดูทดสอบดูนะเขาไม่มีโอกาสได้ฟังทำอย่างพวกเรานะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีศาสนาะเขานับถือเหตุผลศาสนาพุทธนี่แหละคือเรื่องของเหตุผลนั้นไอสไตน์นะบอกว่าศาสนาพุทธเนี้ยเข้าได้นะกับโลกทางวิทยศาศาสตร์ศาสนาอื่นเข้าไม่ได้หรอกแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้ คนส่วนน้อยหรอกที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ศานะ ส, สนาพุทธจะหมดเมื่อไรไม่แน่นะพิกษุนีไม่มีตั้งนานแล้วภนะิกษุอย่างในเมืองไทยเหลืออยู่สักสองแสนนะแล้วที่บวชนานๆมีไม่มากอะมีบวชเล้วศึกศึกแล้วบวชอะไรอย่างนี้ห้าวันสิบวันเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะแต่ว่าอยู่ไม่นานยังไม่ทันจะห่มผ้าเหลืองเป็นเลยก็ึกแล้ว ไฟบินธบาต์นะี่จีวรหลุดบ้างสบงหลุดบ้างจีวรหลุดยังไม่เท่าไหร่นะสบองหลุดไม่ปวดหัวเลยนะมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนก็มัดกลัวสบงหลุดนะเป็นบินธบาตนะมัดรัดประคนแล้วประคนเป็นเข็มขัดของพระเป็นเชือกอะ่ะมัดแน่นนะเดินเดินไปหายใจไม่ออกกลิ้งอยู่กลางถนนอีกลําบากนะแล้วพระที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนได้ปฏิบัติอะไรมีไม่มากอะ่ะ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 วิกฤตศรัทธาหรือเปล่าล่ะพระร้อยองค์นะเชื่อว่าเป็นพระห้าองค์เนะี้ยะมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะอพระดีๆท่านก็มีนะแต่ท่านไม่มีปากมีเสียงท่านก็อยู่ท่านเงียบเงียบนาะนี่เวลาโจมตีหรือตีรวมๆเอาไปตีพระดีๆเข้าไปด้วยพระชั่วๆช่วจะตีเข้าไปเถอะแต่ต้องแยกให้เป็นนะบางองค์กริยาท่าทางท่านดูไม่งามแต่ท่านเป็นพระจริงๆก็มี เราจะไปดูว่าพระติ่มติมเนี่ยเป็นพระดีไม่แน่หรอกนะอาจจะไม่ดีก็ได้นะพระกระโชกห้าอาจจะดีก็ได้นะฝึกนะเราไม่รู้ว่าศาสนาจะอยู่สักแค่ไห น, นประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีหรอกมีที่พม่าพม่าเรียนอภิธรรมกันเยอะพระก็เยอะแต่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศ กำลังจเจริญรอยประเทศไทยแล้วล่ะต่อไปก็โคหายนะแบบเดียวกันแหละอ้าวพอสมควรแก่เวลาน ะ, ะกลับน้ำส ก, การท่านพระอาจารย์ค่ะคิดว่าส่งการบ้านครั้งนี้จะไม่ตื่นเต้นแล้วไม่มีทางฮะถูกต้องค่ะตเต้ตั้งแต่ตอนจับฉลากแล้วค่ะ เออโยมได้ส่งการบ้านครั้งสุดท้ายที่ศูนย์สันติธรรมเมื่อสี่ปีกว่าตอนปีห้าสีนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งมาเลยแต่คราวนี้มีปรากฏการเกิดขึ้นอยสองสิ่งค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนโยมอะถูกยุงกัดตรงขาค่ะโยมก็จะจับขาขึ้นมาดูว่ายุงกัดตรงไหน พอมือจะไปจับมองเห็นท่อนขาเหมือนกับ เ, เป็นเป็นหุ่นค่ะหุน่นที่เาโชว์ชโชว์เสื้อผ้าอย่างนั้นนะคะน่แหละเราพอนานะนะร่างกายไม่ใช่เราหรอกค่ะโยมก็สะดุดนิดหน่อยค่ะก็หยุดไม่จับแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่ารู้สึกน ะ, ะมันไ ม, ไม่ใช่เราหรอกค่ะแล้วก็อีกปรากฏการหนึ่งก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโยมไปเชียงใหม่ ไปบ้านลูกสาวอะค่ะมีอยู่ทีหนึ่งไปยืนมองข้างหลังบ้านมีต้นผลมหมากลากไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหลังโยมมองไปสักประเดี๋ยวหนึ่งรู้สึกสึกมันเบามากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งตัวยโยมเองก็เบาด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็ ต่อจากนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่เดียวกันร่างกายนี้กับโลกข้างนอกนี่ก็อันเดียวกันค่ะมันไม่แปลกแยกจากกันเลยค่ะดีเขามาค่ะก็ไปฝึกอีกไปฝึกต่อนะทําได้ดีแล้วละค่ะฝึกไปจนวันหนึงเห็นนะค่ะจิตนี้กับโลกข้างนอกเนี่ยเป็นอันเดียวกันค่ะตอนนี้เราเห็นเฉพาะร่างกายกับโลกข้างนอกเป็นอันเดียวกันนะค่ะไปฝึกต่อไปค่ะ ออขอบพระคุณคกรับนวมส ก, การค่ะกับนมมสการค่ะทรงกันบ้านครั้งแรกค่ ะ, ะก็เห็นจิตที่เป็นตัวผู้รู้นะคะมีความรู้สึกว่าหนักเบารู้รู้ผิวผิวค่ะรู้แต่แต่แล้วก็จางจางจงหนักบ้างเบาบ้างแบบนี้ค่ะดูนะผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่ใช่เราดูไปได้แต่อย่าจงใจไปจ้องนะ จ้องจะติดสมถะห้ามจ้องผู้รู้ค่ะจ้องต้นไม้จ้องหมาจ้องแมวอะไรนะยังแก้ง่ายกว่าจ้องผู้รู้เลยค่ะถ้าติดผู้รู้ก็แก่กันเป็นปีเลยแต่ตอนนี้ต้องใช้ตัวผู้รู้ก่อนใช่ไหมคะต้องมีผู้รู้นะค่ะสังเกตรหรือเปล่าว่าใจเราเป็นยังไงดวออกไหมดูตัวเองออกไหมดูออกค่ะตอนนี้บังคับหน่อยหน่อยดูออก<า>ไหมบังคับหน่อย ค, ะค่ะอตื่นเต้นใจเต้นตึกตึ๊ก ดีอยให้หยุดซะล่ะค่ะเออไใช้ได้แล้วไปทําต่อค่ะขอบพระคุณค่ะตอนนี้ส่งเันบ้านง่ายพูดเหมือนเหมือนกันใช้ได้แล้วไปทําต่อนี่ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วไม่น่าจะมาจับฉลากกับเขาเลยนะเอ้านมัสการค่ะหลวงพ่อก็อยากจะทราบว่าโควิดร่องในรอยหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าว่ากายกับใจมันแยกกันได้ ย็นเห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจก็แยกกันแยกเป็นคลาวเรารไม่แยกตลอดหรอกดีก็ไหลเข้าไปรวมกันดีก็แยกออกมาไม่ได้เจตนาแล้วเห็นไหมว่าสภาวะเท่าไหลมาแล้วก็ไปมาเ้วก็ไปเห็นไหมไม่มีอะไรบังคับได้อ้าพานไปดูอีกยังนะขอกันบ้านหไหนั่นแหละจบแล้วคือเราแยกขันได้แล้วเราก็ดูสภาวะธรรม ขันเนี่ยนะพอแยกออกไปมืันก็แตกออกไปกลายเป็นตัวสภาวะธรรมล้วนๆอย่างร่างกายเนี่ยแยกออกไปตัวสภาวะของร่างกายคือธาตุดินน้ำไผล ม, ม ใ, ใช่ไหมสภาวะธรรมทางใจใช่ไหมก็มีความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยเป็นสภาวะธรรมความจําได้หมายรู้เป็นสภาวะธรรมโลภโกรธหลงเป็นสภาวะธรรมจิตที่เป็นคนรู้เป็นสภาวะธรรมเราจะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะเกิดแล้ดับทั้งสิ้นเลยนะทํางานของมันได้เองรู้สึกไหมจิตทํางานได้เอง นั้นแหละดูไปเรื่อยนะจะรู้เลยว่ามันทํางานเองไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะดูจนใจมันยอมรับเนี่ยขนาดนี้ยใจมันอยากพูดบู๊ขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยมันก็อยากขึ้นมาเองนี่ดูไปอย่างนี้แหละอ่ะไม่ให้พูดหรอกอนมัสการครับก็ส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังหลวงพ่อมาประมาณแปเดือนแปดเก้าเพืงนไหมก็คราวีแล้วส่งกันบ้านให้หมอนัดก็บอกว่าผมติดเพง่งเพ่งที่ลมหายใจอะครับเออเพ่งแรงไป แต่ว่าตอนนี้ลดลงกว่าแต่ก่อนแล้วละ่ะถ้าเพ่งแรงมันเครียดนะแทนที่จะเพ่งนะเปลี่ยนใหม่วางใจใหม่เห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องการหายใจอย่าไปจ้องลมนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้หายใจแค่รู้สึกทำใจสบายๆถ้าแก้ตัวนี้ได้มันจะไปต่อได้ตอนี้มันติดเพ่งก็แต่เบาลงแล้วละ่ะก็ เมื่อวันเมื่อวันเสาร์ก็ไปทํากัวซา嘛ครับก็ลองใช้กัวซาครับที่เขาใช้เขาสัตว์อ๋อไปขูดขูเนอะใช่แล้วก็เหมือนกับนึกถึงคําของพ่อครับแล้วก็มองที่ใจตัวเองครับเขาขูดไปก็เจ็บแล้วก็รู้สึกรู้สึกเออหมอก็เลยจัดเต็มเลยอ๋อเพราะว่าทนใช่ไหมใช่เงียบเลนั่งดูไปใช่ใช่ล้วขณะนั้นครับก็เลยมาถามหลวงพ่อว่าเออผมต้องมีอะไรต้องปรับรุงมางอย่าอย่าไปจ่งใจเยอะๆนะ ตอนนี้แนวโน้มมันดีขึ้นแล้วการเพ่งเนี่ยลดลงแล้วล่ะให้เราคอยรู้สึกไปร่างกายก็ส่วนหนึง่งเวทนาก็ส่วนหนึง่งใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึง่งแต่เราไม่ไปจ้องไม่ไปจ้องอยู่ที่ร่างกายไม่ไปจ้องอยู่ที่เวทนาไม่ไปจ้องอยู่ที่ใจแค่รู้สึกแต่ไม่ถลำลงไปจ้องลองจ้องลมหายใจิจ้องลงไปที่ลมหายใจเราจิตจับลมซิลองดู มันไม่ค่อยจับมันดีไปคิดซะเยอะไม่ต้องทํานะหลวงพ่อต้องการให้เรารู้ว่าจิตมันเข้าไปจับได้แต่ตอนนี้มันไม่เข้าไปจับดีแล้วล่ะนะต่อไปถ้าเราชนานนํานาญเราอยากจับเราก็จับอยากปล่อยเราก็ปล่อยนะถ้าตอนไหนต้องการพักเราก็จับไว้ตอนไหนไม่อยากพักนิ่งๆเฉยๆฉ ย, ๆ ย, ๆ ย, ๆ ย, ๆยๆะเจริญปัจจัปล่อยให้มันทํางา น, นใช้ได้ไปฝึกเอาขอบพระคุณครับ มันลำบากตรงนี้แหละคนที่เคยฝึกกรรมฐานมานะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยจะฝึกเพ่งมันต้องร่างแก้กันช่วงหนึ่งก่อนพอใจเป็นธรรมชาติใจเป็นธรรมดาเนะ่ใจดวงนั้นถึงจะสอนธรรมะเราได้ใจที่นิ่งนิ่งทื่อๆมันจะแสดงแต่ว่ามันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้เราะฉนั้นถ้าเราปล่อยให้มันทํางานได้หเห็นใจรักได้อ้าสวัสดีนะ ไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีเราขาด ก, ก็เลยอยากมาส่งกันบ้านหลวงพอ่อปกติก็เดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำหลวงพ่อเทียนบ้างนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ดูเห็นร่างกายหายใจบ้างนิดหน่อยอย่างให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะช่วยคันม่ยก็แยกได้ชำนาญแล้วล่ะนะแต่กำลังของจิตไม่พอหาสมถามาทำสักอย่างหนึ่ง จะพุโทโธจะหายใจอะไรก็เอานะแต่ไม่ได้บังคับให้จิตนิ่งนะหายใจระลึกไปเรื่อยเห็นหรือไม่ก็รู้ร่างกายไปเคลื่อนไหวไปเรืนะ่อยๆให้ใจมีเครื่องอยู่จะอยู่กัลมหายใจอยู่กับอีริยาบถอะไรก็ไดนะ้คอยรู้สึกคอยรู้สึกรู้สึ ก, สกบ่อยๆที่เรารู้สึกบ่อยๆนะแต่ไปใจมันจะเข้มแข็งกว่านี้นะตอนนี้สมาธิไม่พอรู้สึกไหม ใ, หใจมันฟุง้งหนูหนว่าถนัด เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้มากกว่าเออเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้แต่ใจหนีไปเรารู้ไม่ใช่เห็นแต่ร่างกายนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลเข้าไปที่ร่างกายก็รู้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาลาพังขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยแล้เห็นมือเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่เข้าใจที่หลวงพ่อเทียนสอนหรอกท่านบอกว่าขยับไปนี่ขย่าธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัว ตัวสําคัญคือความรู้สึกตัวนะถ้ารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นงั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างนะจะเคลื่อนไหวก็ได้จะอะไรก็ได้แล้วแต่ท่นันแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่รู้มือไม่ใช่รู้เท้าไม่ใช่รู้ท้องนะไม่ใช่รู้ลมหายใจนะทำไปแล้วก็รู้จิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปในร่างกายไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกบ่อยๆใจจะได้มีแรงนี่กลัวจะแย่แนละ เคยส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งค่ะพูดดังๆหน่อยไม่ตักไม่ได้เย็นแก่แล้วที่ปฏิบัติมาไม่ทราบว่าเดินมาถูกไหมถูกแต่ถูกแล้วต้องทำอีกยังไม่พอบางทีก็นั่งแล้วยังจะละมัว่ใจเราฟุ้งซ่านเก่งใช่เมื่อใจมันฟุ้งซ่านเก่งเนี่ยคือโมหามันเยอะตัวที่จะช่วยเราได้นะพยาามหายใจหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกไป หายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้นะแล้วค่อยรู้สึกเวลามันไหลไปคิดคหายใจไปแล้วก็จิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันว่างเมื่อไหร่หายใจเมื่อนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆอจิตจะมีกําลังแล้วก็พอนาต่อได้ตอนนี้ฟุง้งซ่านเยอะไปภาวนานๆะถูกหลักแล้วล่ะแยกขันได้แต่แรงไม่พอที่จะเดินต่ อ, อถูกไหมที่วิเคราะห์ อ, อย่างเงี้ย<ช>ไม่ผิดหรอกใจมันอยากอยาก อยากดีมากกว่านีนเออต้องทำเอาอยากดีมันไม่ดีหรอก <c oughs> ไปหายใจแล้วรู้ทันใจค่ะได้ค่ะอ้าวต่อไปนมาสการ์ค่ะเ อ, อช่วงก่อนหนูหนูเห็นตัวกูของกูเยอะมากดีดีดี<า>ดีดด <c oughs> น่าเกลียดไหม <c oughs> นั่นแหละตัวจริงละคือพอหนูดูตรงตรงมากๆ ม, ม, มันจะไม่รับรู้เลยอะค่ะ อ่ะมันหนีเลยเหรอมันยอมรับไม่ได้เหรอต้องปฏิบัติยังไงอะคะคือหนูทําอะไรไม่ได้จนหนูทะไรไม่ได้รู้สึกร่างกายร่างกายไม่เคยหายไปไหนเห็นไหมร่างกายแยกเขี้ยวเห็นไหมร่างกายไปยักหน้ารู้สึกเหมอนไปเรื่อยๆอย่าใจลอยท่านะไม่เพ่งแล้วก็ไม่ใจลอยช่วงนี้นะหนูเพ่งใช่ไหมคะนิดหน่อยไม่มากนะเทียบกับรายนี้นะต่างกันหลายสิบเปอร์ซ็นต นี่ขนาดลดลงไปเยอะแล้วนะแต่ที่เหลืออยู่ก็ยังเยอะอยู่แต่มันเหลืออยู่สักยี่สเอร์ซนอย่างเง้ที่เพ่งไปเดิมนะดูออกไหมเหลือสักยี่สิบเปอร์ซนใช้ได้คือแล้วแล้วหนูจะต้องทํายังไงรครับเพราะว่ า, วาแล้วพอมันเหมือนกับมันไม่รับรู้อะไรหนูนมันรู้สึกร่างกา ย, ยางไงมันเหมือนมันไม่พอค่ะหลวงพ่อไม่พอนวดมันเข้าไปเลย กระตุ้นมันรู้สึกกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกพยายามรู้สึกไว้อย่าให้ใจหายไปถ้าหายไปเลยใช้ไม่ได้หรอกค่ะมันไม่เจริญขึ้นมันหนีโลกไปเรื่อยๆนั่นับมาสัมผัสที่ร่างกายนี้ไปลองสัมผัสดูเสียแลย้วจะรู้สึกว่ามันมีจริงๆน ะ, ะมันไม่หนีไปไหนหรอกเพราะใจมันสัมผัสอารมณ์ที่หยาบขึ้นมาร่างกายเป็นอารมณ์ที่หยาบ จมันจรู้สึกง่ายถ้าดูเฉพาะอารมณ์ละเอียดดูไปดูไปดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะงั้นดูอารมณ์หยาบขึ้นมาร่างกายนี้เป็นของหยาบอ่ะต่อไปขอบพระคุณค่ะการนมันสการหลวงพ่อส เ, เพลงนะ <c oughs> มีเพ่งอยู่มาถึงวันนี้นะพวกเราแยกขันได้ทุกคนเลยนะแต่ว่ามีปัญหา พวกหนึ่งยงเพ่งอยู่พวกหนึ่งฟุ้งซ่านสมาธิไม่พอพวกเพ่งก็คือสุดโต่งไปข้างตึงพวกสมาธิไม่พอฟุ้งซ่านสุดโต่งไปข้างหย่อนเห็นไหมมันมีไม่ตึงไปก็หย่อนไปขนาดที่แยกขันออกมาแล้วนะเวลาจะเดินต่อเ น, นี่ยนะบางคนแรงไม่พอแนละบางคนเพ่งมันก็แยกขันไปแยกอยู่ทื่อๆนั่นนะต้องฝึกให้เข้าทางสายกลางอย่าเพ่งแรงเพ่งนิดหน่อยพอ เห็นไหมร่างกายมันยิ้มรู้รู้ความรู้สึกของตัวเองได้ชัดไหมก็ชัดน ะ, ะเราดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะดูที่ใจนี่แหละนะใจเป็นสุข ก, ก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจโลภโกรธหลงก็รูนะ้รู้จิตไปเลยถนัดดูจิตแล้วดูไปเจ้าค่ะธรรมสถาหลวงพ่อ ครับพอดีผมเคยส่งการบ้านให้กับพ่อเมื่อสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นนะครับรู้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเช่นโกรธก็รู้ว่าเออใจมันเริ่มโกรธแล้วแต่โลภเนี่ยบางทีมันมันจะไปก่อนแล้วถึงจะโกรธดูง่ายกว่าโลภใช่ครนะแล้วก็โลภดูง่ายกว่าหลงมันมีดีกรีนะครั บ, รบดีกรีโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดมันยาบ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเ อ, อพยายามระลึกรู้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ตกเย็นเนี่ยผมก็จะมานั่งสมาธินิดนึงแล้วก็เดินจงกรมนะครับผมจะทําอย่างเนี้ยตลอดดีนะครับแล้ว อ, อไม่ทราบว่าในสิ่งที่ผมปฏิบัติมาและปัจจุบันเนี่ย อ, อมันอยู่ในร่องร้อยปะครับรู้สึกเปล่าว่าพวกเราเข้าวหน้าขึ้น่ะรู้สึกไหมครับรู้สึกครับเ อ, อแล้วจะสงสัยอะไร <laughs> มียูจอนก็รู้เอง นะดูไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งกายนะครับดูกายแล้วจะได้แรงด้วยดูเข้าไปเลยเห็นเป็นแต่โครงกระดูกนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นด้แต่ว่าที่ผมดูเนี่ยตอนเดินจงกรมนะครับมันจะเห็นว่าตัวเนี่ยเดินใช่อย่างนั้นแหละดีน ะ, นะครับ อ, อ๋อถูกต้องแล้วนะครับอโอเคมันจะได้มีแรงนะคนรุ่นเราเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่มือถือที่เสื่อมะ ชาร์จไฟแป๊บเดียวก็หมดแล้วมันหมดเร็วก็เราต้องชาร์จบ่อยๆเวลาไม่มีอะไรทำนะก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้มันจะได้มีแรงเห็นเวลาจิตใจทำงานจะได้เห็นชัดถ้าดูจิตอย่างเดียวไม่ดูกายนะเดี๋ยวพักเดียวดูไม่ออกนะใช่งั้นก็ขอบพระคุณมากครับกลับมาปรสบการ์หลวงพ่อค่ะปฏิบัติ ต่อเนื่องกันมาประมาณปีกว่ า, วาแล้วค่ะก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็เห็นว่าจิตเขาทำงานได้เองอแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าคือโลกมันไม่มีอะไรมันไม่ได้ไจิต <สา S 2> มันถูกวความเศร้าหมองครอบงำค่ ะ, ะถูกอารมณ์ครอบแล้วอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ได้มีสติและสมาธิแล้วต่อไปเวลาความเศร้าหมองครอบงำใจนะรู้เข้าไปตรงๆเลยดูเข้าไปที่ความรู้สึกเศร้าหมองอ เดี๋ยวมันก็คลายออกไปเองไม่ให้มันครอบใจได้นะเวลาเราพาวนาไปเนี่ยเราเห็นโลกไรสาระาทีใจมันเบื่อหน่ายแต่พอเบื่อหน่ายแล้วกำลังของเราไม่พอนะมันเลยกลายเป็นท้อแท้ใจเลยซึมเศร้าไปเลยนะเยวไปล่อยให้ใจถูกความเศร้าโศกครอบงำเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมนะต้องดูเข้าไปตรงๆเลยว่ามันกาลังเศร้าอยู่ ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะหลวงพ่อจะช่วยได้ไหมะคะให้รู้ทันใจนปฏิบัติไปด้วยความซึมเศร้ามันยังทำได้นะเดี๋ยวจะติดเศร้าค่ะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อ <c oughs> รู้เข้าไปอย่าให้มันครอบใจ <c oughs> า ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะยม เ, เป็นครั้งแรกค่ะที่มาส่งใจ<ก>หรือเปล่าลวหลหล่าใจเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนะดูออกไหม สังเกตไมมมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้เองบางทีมันไม่ได้องทำอะไระมีความสุข่วยแผ่วๆขึ้นมาไดนะ้แล้วก็ความรู้สึกทั้งหลายเหมือนฝันฝันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนฝันฝันอยู่โลกนี้เป็นความฝันแล้วนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันหลอกคนหลงเท่านั้นหลอกคนที่หลงอยูนะ่แต่มันหลอกผู้ที่รู้ทันไม่ได้ ใส่ใจไหมโลกนี้จริงๆแล้วเหมือนกับฝันอยู่ทั้งโลกเลยรู้ทันมันนะแต่ไม่ให้เศร้าใจนะ <c oughs> ถ้ามันเศร้าให้รู้ทันไม่ให้มันครอบใจไม่ให้ความเศร้าครอบใจได้ <c oughs> โลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ว่างเปล่าโยมแบบฝึกการเคลื่อนไหวดูกายแล้วก็ให้รู้ไม่ค่อยได้ยินโยมใหม่โยมโยมก็ใช้ กรรมฐานของกายเป็นหลักการเคลื่อนไหวของกายเพื่อดูใจ <Yeah. S 1> ทีนี้แบบคือพอทําคือยมอินซียังอ่อนนะคะอะไรนะอินซีอินีอ่อนอินรีไม่อ่อนไม่อ่อนหรอกค่ะแล้วแแบบเวลาแบบเราปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับยมยังโฟกัส ดูไม่ค่อยชัดเจนบางทีก็เหมือนกับปวดตาปวดหัวคือแบบสงสัยจะเพ่งไปแก้งไ่งดีอลองเคลื่อนไหวให้หลวงพ่อดูซิสังเกตไหมเราขยับจิตเราไม่ไดัดแปลงจิตนะรู้สึกไปโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตไม่ใช่จะขยับมือต้องนี่นะสมมติเราจะขยับเนะี่ยขยับเลย ใช้จิตปัจจุบันนี้ไปรู้มันไม่งั้นใจจะเริ่มไปติดนิ่งๆไปติดอยู่ในโลกของความนิ่งๆออกมาดูโลกข้างนอกนี้เ อ, อกมาสัมผัสโลกข้างนอกนี้โลกข้างนอกนี้ว่างเปล่าโลกข้างนอกนี้เหมือนฝันอยู่มาแล้วไปแต่ว่าอย่าให้ใจเราไปค้างว่างๆอยู่ข้างในไม่ก็หายใจไหม เห็นร่างกายห็ใจรู้สึกสิอย่างนี้แรงไปมันอืดัดเออขนาดเนี้ยเห็นร่างกายขยับหน้าไหมรู้สึกนะแรงไปนิดนึงนะมันจะอึดัดเที่ยงมานะรู้ให้สบายสบายพยายามรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆไวนะ้ไม่ใช่ไปนั่งขยับอย่างเงี้ยแล้วใจไปติดในว่างไ้ขยับแล้วใจไปติดในความว่างๆอย่างนั้นไม่ดีเลยนะพยยามรู้สึก ถึงความมีอยู่ของร่างกายจริงๆปลุกมันไม่ต้องไปขยับตามจังหวะขยับตามจังหวะมากๆนะเหมือนเหมือนสะกดตัวเองจนเคลิ้มนวดมันไปเลยนี่กรรมฐานอย่างนี้ดีไหมลองดูสิรู้สึกไหมบางที่แข็งบางที่นิ่มเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะชัดขึ้นมานะถ้านั่งแล้วใจเลื่อนลอย นีมันวดก็เดี๋ยวมันค่อยๆกลับมาของหนูมันเป็นร่องรอยไปอ๋อเราเอากายหยาบเลยใช่ไหมคะใช่ดูร่างกายหยาบๆนะพอกําลังมากพอเนี่ยต่อไปจะเห็นโลกนิวางเปล่านะเพราะใจนะมันชอบจะดูความว่างเปล่านะเพระฉะน้นต่อไปมันจะไปเดินปัญญาโดยการเห็นโลกนิวางเปล่าแต่ตอนเนี้ยมันไม่เดินปัญญาเพราะมันไปอยู่ในความว่างเปล่าแล้วมันหนีโลกไปเฉย แล้วกลับมาอยู่กับของหยาบๆนี่ก่อนแล้วต่อไปจะเห็นนะตัวนี้ที่ว่ามีจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ใช่เรารู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปนั่งขยับมือตามจังหวะไม่นั้นขยับจนชินจะียกลายเป็นสะกดจิตตัวเองไปยมอยากแบบมีสมาธิมากขึ้นคะเอย่าไปเอาอย่างนั้นเลยเคลื่อนไหวไปหรือว่าไปกวาดบ้าน แล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆนะแล้วรู้สึกตัวไปใจลอยบ้างรู้สึกบ้างใจลอยบ้างรู้สึกบ้างฝึกอย่างนั้นไปอย่าไปนั่งอย่างนี้นะเนี่ยใจไปอยู่ในโลกว่างๆเนี่ยหลุดออกมาแล้วรู้สึกเปล่าหลุดออกมาแล้วเนี่ยจะใช้ใจอย่างนี้นะถึงจะภาวนาได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ล้ตัวนี้เป็นใจที่เพ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ไม่ได้จงใจมันหลุดฟุ้ออกมาเลยจริงๆใครเข้าใกล้หลวงพ่อนะก็ตื่นหมดล เพรามันั่งเ อ, อเื้ออร่อยว่างๆอยู่ถูกหลวงพ่อทุบสักสพักเดียวทนไม่ได้ต้องหลุดออกมาเนี่ยเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันชินมานวดอีกนวดไม่พอเขี่ยาเขี่ยาเห็นไหมว่าเริ่มหลุดออกมาอีกแล้วใช่อารมณ์ที่หยาบขึ้นนะแล้วมันจะหลุดออกมางั้นจะเป็นหลงอยู่กับอารมณ์ละเอียด ว, ว่างๆไม่เดินปัญญาแต่พอหลุดออกมาแล้วเราจะรู้สึกร่งแท้นี้ไม่ใช่ตัวเรา โลกข้างนอกนี่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรว่างๆแต่ใจเนี่ยมีพลังใจไม่ไปเลื่อนลอยเวิร์งว่างอยู่ข้างในนะี่ยนี่ค่สักการหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อมานานแล้วค่ะพึ่งกล้าส่งครั้งแรกะค่ะเพิ่งอะไรนะพึ่งกล้าส่งกันบ้านครั้งแรกทําไมต้องกล้ามากขนาดนั้น <laughs> ตื่นเต้นนะคะ่ะคนไทยนะหลวงพ่อดูแล้วไม่ได้ค่อยกลัวหลวงพ่อจริงหรอกกลัวไมโครโฟน ถ้าลงบอกว่าอาไม่ต้องส่งได้ใหม่นะมันนั่งตรงนี้นะคุยไม่เลิกเลยเนี่ยถ้ากลัวหลวงพ่อจีมจะไม่กล้ามาคุยด้วยแต่ไม่ใช่อ่ะนิสัยคนไทยนี่กลัวไมโครโฟนห้าว่ามามันตื่นเต้นมันมาเป็นละลอกละลอกอะค่ะบางทีเห็นไหมว่าความตื่นเต้นไม่เที่ยงเห็นมาแล้วก็ดับมาเองรู้สึกไหมมาเองไปเองมาเองไปเองความรู้สึกอื่นๆก็มาเองไปเองแบบเดียวกันนี้ ให้ใครรู้ทันความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นนะแบบเดียวกว่าที่รู้สึกความตื่นเต้นนี้แหละแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันมาเองมันไปเองนะเกิดดับตลอดเวลามีแต่ทําบ่อยๆตอนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเห็นร่างกายเป็นภาระอ่ะค่ะเป็นภาระถูก <c oughs> พุทธเจ้าสอนนะบอกขันทั้ง5เป็นภาระนะภ า, านานภาระเวปัญจขันธาขันทั้ง5เลยไม่เฉพาะร่างกายนะ จิตใจก็มีภาระใช่ไหมไม่ดูแลมันก็ชั่วเงี้ยนี่กเป็นภาระทั้งนั้นแหละบุคคลแบกภาระไปก็ไม่พ้นจากทุกพระอริยเจ้าคือพระอรหันตนะ์วางภาระลงแล้วและไม่ไปหยิบฉวยขึ้นใหม่หมท่านก็พ้นจากทุกเราฝึกเพื่อจะได้วางภาระในวันข้างหน้ากายนี้เป็นภาระแน่นอนถูกต้อง <c oughs> มันเป็นภาระเพ้าใจเข้าไปแบก เมื่อก่อนเราพ่อก็เคยรู้สึกนะว่าร่างกายเป็นภาระน่าเบื och, ่อมากเลยะเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ําเดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวต้องแต่งตัวทำยังไงอย่างนี้ตลอดวันเลยรู้สึกภาระมากวันหนึ่งนะมันเกิดปิ๊งขึ้นมาคล้ายๆร่างกายมันเถียงเรากินข้าวกูก็กินของกูเองใครเป็นคนกินข้าวอ่ะก็ร่างกายเป็นคนกินใช่ไหมใครเป็นคนไปทํางานหาเงินมาซื้อข้าวก็ร่างกายไปทํางานหาเงินมาซื้อข้าว ซื้อได้เขาไปหุงข้าวร่างกายเขาหุงเองอีกนะกินเองกินแล้วก็ไปล้างจานเองนะไปอือเองอีกนะใจไม่ได้ทําอะไรเลยเสือกอะไรวะอ๋อเนะี่ยสอนมันอย่างนี้เลยนะมันเคยรู้สึกว่าภาละน่าเบือ่อนะเกิดปิ้งขึ้นมานะมองร่างกายด้วยความเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยมองอย่างยุติธรรมขึ้นมาร่างกายทํางานเหนื่อยแทบตายเลยไอ้ใจนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แบกได้หามอะไรเลยนะข้าวก็ไม่เคยหุงกิน คอยวิจาร์ตลอดเลยร่างกายหากับข้าวมาให้กินนันบอกแม่อร่อยนะร้ายมากนะใจนะไปดูนะแล้วจะรู้สึกว่าตลกว่ะหลวงพ่อทำกรรมฐานตะ้องกินาา น, น, นั่งหัวเราะเลยว่านะทำไมความรู้สึกเรามันงี่เง่าอย่างงีนะ้รู้สึกร่างกายนี้เป็นภาระใจแหละเข้าไปหาเรื่องเองร่างกายนะมันก็เหนื่อยของมันเองนะ อาบน้ำมันก็อาบเองใช่ไหมใจไปอาบน้ำให้มันที่ไหนล่ะเอออาบนวดเวลาแล้วครับก็ผมขอเป็นตัวแทนของของพวกเราทุกคนนะครับร่วมกันถวายปัจจัยและไทยธรรมที่ได้มีผู้ศรัทธาได้นำมาถวายนะครับกรุณากราบตามผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 ยะถาวาริวาาปุราปริปุเรนตีสาขังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพารโรโควินัสตู มาเตภวัตวันตรยโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาทนาศิลิสนิจังุทธาปจายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัฒนตียุันโนสุขังพระลังมีความสุขความเจริญกันนะภาวนาไป